พระเถระทั้งหลายก็ให้กลับไปถามท่านพระเขมกะอีกว่าท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไรอะไรในอุปาทานขันท์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตนหรือว่ามีในตนหรือเมื่อท่านพระทาสกะเดินทางไปถามท่านพระเขมกะก็ตอบว่าผมไม่เห็นคล้อยสิ่งใดเลยในอุปาทานขันท์ห้าเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยะสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อท่านพระทาสกะ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 ผมจกไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายเองเมื่อท่านพระเขมกษัย์ยันไม่เท้าเข้าไปหาพระพิสุทธ์ผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่ครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามนั้นว่าผมไม่ได้ว่ารูปเป็นเรามีและก็ไม่ได้ว่าเรามีนอกเหนือจากรูปผมไม่ได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามี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 อดศดงแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้อยู่เสมอๆหมานะว่าเรามีฉันทะว่าเรามีอนุสัยว่าเรามีที่ตามคลออยู่ในอุปาทานขันทั้งห้าซึ่งท่านอย่างถอนไม่ได้นั้นก็จะถึงซึ่งความขาดทอนไปสิ้นคือบรรลุอรหัตผล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 หรือกลิ่นโคลมทที่แทรกติดอยู่ก็หาหมดสิ้นไปไม่ช่างซักหม้อผ้านั้นคืนให้แก่เจ้าของเขาเอาเก็บใส่ไว้ในตู้อกลิ่นครานั้นกลิ่นด่างหรือกลิ่นโคไมใดๆที่แทรกติดอยู่ซึ่งยังไม่หมดไปก็จะหายไปได้โดยเด็ดขาดฉันใดความที่แสดงมาข้างต้นนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน